บันทึกที่3 ส, สัจจกิริยาทางออกที่ดีสำหรับผู้ยังหวังอำนาจโดนบันดาลสำหรับชาวพุทธในระยะพัฒนาขั้นต้นผู้ยังห่วงยังหวังหรือยังมีเยื่อใยที่ตัดไม่ค่อยขาดในเรื่องแรงโดนบันดาลหรืออำนาจอัศจรรย์ต่างๆประเพณีพุทธแต่เดิมมา ยังมีวิธีปฏิบัติที่เป็นทางออกให้อีกอย่างหนึ่งคือสัจจกิริยาแปลว่าการกระทําสัจจะหมายถึงการอ้างพลังสัจจะหรือการอ้างเอาความจริงเป็นพลังบันดาลคือยกเอาคุณธรรมที่ตนได้ประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญมาหรือที่มีอยู่ตามความจริงหรือแม้แต่สภาพของตนเองที่เป็นอยู่จริงในเวลานั้นขึ้นมาอ้าง เป็นพลังอำนาจสำหรับกระจัดปัดเป่าพยานตรายที่ได้ประสบในเมื่อหมดทางแก้ไขอย่างอื่นวิธีการนี้ไม่กระทบกระเทือนเสียหายต่อความเพียรพยายามและไม่เป็นการขอร้องวิงวอนต่ออำนาจโดนดาลจากภายนอกอย่างใดอย่างใดตรงข้ามกลับเป็นการเสริมย้ำความมั่นใจในคุณธรรมและความเพียรพยายามของตนและทาให้มีกาลังใจเข้มแข็งยิ่งขึ้น อีกทั้งไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับวัตถุหรือพิธีที่จะเป็นช่องทางให้ขยายกลายรูปฟั่นเฟือออกไปได้สัจจะกิยาพบบ่อยในคำพีพุทธศาสนารุ่นอัตถกถาเฉพาะอย่างยิ่งชาดกนับเป็นวิธีปฏิบัติที่ใกล้จะถึงความเป็นพุทธอย่างแท้จริงดังหลักฐานที่จะนำมาแสดงต่อไปนี้หลายเรื่องมีลักษณะน่าจะเหลือเชื่อแต่คงเป็นธรรมดาของวรรณคดี ในอัธกถากัตหาริชาดกพระเจ้าพรหมทัตได้หญิงหาฟืนเป็นภรรยาชั่วคราวต่อมานางนั้นตั้งครรภ์พระเจ้าพรหมทัตประทานพระธรรมรงแล้วตรัสว่าถ้าเป็นทิดาเจ้าจงจำนายแหวนเลี้ยงดูถ้าเป็นบุตรเจ้าจงนำมายังสำนักของเราพร้อมกับแหวนนางคลอดบุตรเป็นพระโพธิสัตว์ ต่อมาก็นำบุตรเข้าเฝ้าพระราชาพระราชาแม้ทรงทราบอยู่แต่เพราะทรงละอายในถ้มกลางบริษัทจึงตรัสว่าไม่ใช่บุตรของเราแม้พระธรรมรงนี้ก็ไม่ใช่ธรรมรงของเราเพื่อพิสูจน์ความเป็นลูกนางจึงทำสัจจากริยาว่าถ้าทารกนี้เกิดเพราะอาศัยพระราชาเมื่อข้าพเจ้าเหี่ยงขึ้นไปแล้วจงอยู่ในอากาศ ถ้าไม่ได้อาศัยพระองค์เกิดจงตกลงมาตายบนภาคพื้นดินแล้วจับเท้าทั้งสองของพระโพธิสัตว์เหวี่ยงไปในอากาศพระโพธิสัตว์นั่งกู้บรลลังในอากาศแสดงธรรมพระราชาจึงทรงรับความจริงในอัตกถานลปานชาดกพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระยาลิงตั้งสัตว์จากิริยาทําให้ต้นอ้อ ก, กลวง เพื่อช่วยฝูงลิงให้ดื่มน้ำได้โดยปลอดภัยในอัตถกถาวัตกะชาดกพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกนกคุ้มเพิ่งออกจากไข่ได้ไม่กี่วันขนยังขึ้นไม่เต็มตัวเกิดไฟไม่ป่าบริเวณ น, นั้นลูกนกทำสัจจริยาขอให้ตนพ้นภัยไฟป่าว่าปีของเรามีอยู่แต่บินไม่ได้เท้าทั้งสองของเรามีอยู่ แต่ก็เดินไม่ได้พ่อแม่ของเรามีอยู่แต่ก็บินหนีเราไปเสียแล้วด้วยสัตว์วาจานี้ไฟเอ๋ยแม้เจ้าจะไม่มีชีวิตจิตใจก็จงถอยกลับไปเสยเถิดอย่าได้ทำอันตรายแก่เราและสัตว์ทั้งหลายเลยในอัตตกถาอันทภูตชาดกพระเจ้าพรหมทัตเล่นสกากับปุโรหิตของตนเมื่อส่งเล่น จะต้องอธิษฐานจิตด้วยการร้องเพลงสำหรับการพนันด้วยบทนี้ว่าแม่น้ำทุกสายไหลคดไปมาป่าทั้งหมดสำเร็จด้วยต้นไมย้ยิงทั้งหลายก็อาจทำชั่วได้เสมอเมื่อได้โอกาสในที่รับตาทำให้พระองค์ทรงชนะเสมอส่วนปุโรหิตพ่ายแพ้ตลอดเสียเงินเป็นจำนวนมากจึงคิดที่จะเอาชนะพระราชา อุสารักษาหญิงคนหนึ่งตั้งแต่อยู่ในคันกระทําการป้องกันในที่ถึงเจ็ดแห่งเมื่อนางโตขึ้นเป็นสาวก็รับนางไว้เป็นพันรยาจากนั้นเขาได้ไปท้าพระราชาเพื่อจะเล่นสกาในขณะที่พระราชาตรัสร้องเพลงขับเหมือนเดิมเขาจะพูดต่อในตอนสุดท้ายว่ายกเว้นสตรีคนหนึ่งการพูดนั้นช่วยให้เขาชนะสกาทุกครั้ง พระราชาทรงแปลกพระไทยจึงใช้ให้จาระบุรุษไปสืบจนทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงตรัสสั่งให้หานักเลงรูปหล่ อ, อคนหนึ่งไปทำลายศีลของนางจากนั้นพระราชาทรงชวนปุโรหิตเล่นสกากันใหม่คราวนี้พระองค์ส่งชนะในอัรถกถากันหะตีปายณะชาดกพระโพธิสัตว์ถือชาติกำเนิดเป็นมรีกันหตีปายณนะ วันหนึ่งเพื่อนชื่อมัทพยะพาภรรยาและลูกมาเยี่ยมยันยะทัตตะกุมานลูกของเขาเล่นในที่ใกล้จอมปลวกและถูกงูกัดฤสีถูกเพื่อนขอร้องให้ช่วยให้เด็กหายจากพิษงูจึงทําสัจจะกริยาว่าเราเป็นผู้มีความต้องการบุญได้มีจิตเลื่อมใสประพฤติพรหมจรรย์อยู่เพียงเจ็ดวันต่อจากนั้นมา แม้เราจะไม่มีความใคร่บันประชาก็ทนประพฤติพรหมจารย์ของเราอยู่ถึงห้าสิบกว่าปีด้วยความสัตว์อันนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ยัญยะทัตตะกุมารกุมารนั้นลืมตาขึ้นแต่ยังไม่หายดีบิดาจึงทำสัตว์จักริยาบ้างว่าเราเห็นแขกในเวลาที่มาถึงบ้านเพื่อจะพักอยู่บางครั้งไม่พอใจจะให้พักเลย แม้สำณพรามผู้เป็นพหูสูตรก็ไม่ทราบความไม่พอใจของเราแม้เราไม่ประสงค์จะให้ก็ให้ได้ด้วยความสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ยัญยัทตะกุมารกุมารลุกขึ้นนั่งได้แต่อย่างยืนไม่ได้มาดา จ, จึงทำสัจจะกริยาบ้างว่าลูกรักอสสรพิษที่ออกจากโพรงกัดเจ้านั้นมีเดชมาก ไม่เป็นที่รักของแม่ในวันนี้เลยอศรพิษนั้นกับบิดาของเจ้าไม่แปลกันเลยคือไม่เป็นที่รักของแม่เลยเหมือนกันด้วยความสัตว์นี้ขอความสวัส ด, ดีจงมีแ่ยัญยะทะตะกุมานพร้อมกับสัจจะกิริยาพิษทั้งหมดก็ตกลงเข้าแผ่นดินเด็กนั้นก็ลุกขึ้นเริ่มจะเล่นต่อไปในอัตถกถา สุ ป, ปรกกะชาดกพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นหัวหน้าต้นหุนเรือนามว่าสุ ป, ปรักกะต่อมาท่านดวงตาบอดเพราะถูกน้ำทะเลมากคิดว่าเราพึ่งพระราชาเลี้ยงชีวิตดีกว่าแล้วเข้าไปฝ้อพระราชาครั้งนั้นพระราชาทรงแต่งตั้งท่านไว้ในหน้าที่พนักงานคอยประเมินราคาช้างแก้วมาแก้ว และก้อนแก้วมุกดาแก้วมณีเป็นต้นท่านทำหน้าที่ได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่พระราชากลับให้รางวัลเพียงเล็กน้อยท่านจึงเดินทางกลับบ้านพ่อค้าเดินเรือทั้งหลายจึงมาเชิญให้ท่านเป็นต้นหน ท, ทั้งที่ตาบอดเรือล่องไปผิดทางผ่านท้องทะเลที่มีแก้วเพชรเงินทองมากมายสุปราระกะจึงใช้อุบายให้ขนของมีค่าขึ้นมาแต่พอดี อย่าได้โลภจนเรือจมแต่เรือก็อยังไปผิดทางจนถึงเขตที่ไม่มีใครเคยรอดไปได้น้ำในท้องทะเลตอนนั้นเดือดพล่านพุ่งขึ้นเป็นพืชไปโดยตลอดมีเสียงน่าสะพรึงกลัวสุปรารักะทําสัจจกริยาเพื่อให้เรือพ้นภัยจากทะเลร้ายว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าระลึกถึงตนได้ถึงความเป็นผู้รู้เดียงสา ข้าพระเจ้าไม่เคยรู้สึกแกล้งเบียดเบียนสัตว์แม้สักตัวเดียวเลยด้วยสัจวาจานี้ขอเรือจงกลับได้โดยสวัสดีพ่อขาดคำเรือก็บ่ายหัวกลับถึงท่าเรือที่บ้านโดยใช้เวลาเพียงหนึ่งวันเท่านั้นในอัตตกถามหาโมระชาดกในพรานถือบวงเที่ยวไปในราวป่าอยู่เจ็ดปีเพื่อดักพญานกยูงทองโพธิสัตว์ ครั้นดักพญานกยูงทองได้แล้วยืนฟังธรรมกฐาของพญานกยูงนั้นก็บรุปัจเจกโพธิญาณพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นดำริว่าเราพ้นจากเครื่องพัวพันคือกิเลสทั้งปวงได้แน่นอนแต่ในที่อยู่ของเรายังมีนกถูกกักขังอยู่มากเราจะปลดปล่อยนกเหล่านั้นได้อย่างไรพญานกยูงแนะให้ทาสัจจกริยาให้ประดานกพ้นจากที่กักขัง พระปจเจกพุทธเจ้านั้นจึงทํทาสัจจริยาว่ามีนกเหล่าใดที่เรากักขังไว้ในที่อยู่ของเราวันนี้เราให้ชีวิตแก่นกเหล่านั้นขอนกเหล่านั้นจงพ้นจากการกักขังไปสู่สถานที่อยู่เดิมของตนเถิดถ้าเราบรรลุโมกธรรมแล้วคือบรรลุปัจเจกโพธิญาณแล้วขอทรงเคราะห์สัตว์เหล่านั้น ในอันให้ชีวิตเป็นทานด้วยสัตจัชนี้ขอสัตว์แม่ทั้งปวงจงพากันไปสู่ที่อยู่ของตนเถิดลําดับนั้นนกทั้งปวงก็พ้นจากที่กักขังพอดีกันกับเวลาที่พระประเจกพทะเจ้านั้นกระทาสัต จ, จาการิยานั่นเองและในขณะนั้นบรรดาสัตว์ในเย่าเรือนทุกหนแห่งในจุมพูถวีปทั้งสิ้นที่จะได้ชื่อว่าสัตต้องกักขัง ก็มิได้มีเลยในอัตถกาถาสีวิราชชาดกพระราชาศีวิราชบริจาคพระเนตรแล้วทำสัจจะกิริยากลับมีพระเนตรขึ้นใหม่ดังที่ได้เล่าไว้แล้วในบันทึกที่สองที่ว่าด้วยเรื่องการช่วยและการแกล้งของพระอินในอัตถกาถาชัยทิตชาดกพระเจ้าชัยทิตจะเสด็จออกจากพระนครเพื่อล่าสัต ในขณะที่พระองค์กำลังจะเสด็จออกจากพระนครนันทปรามผู้รู้สตารหะาถามาเฝ้าพระเจ้าชัยทิติพระเจ้าชัยทิติตรัสสั่งว่าให้เรากลับมาจากการล่าสัตว์ก่อนแล้วจึงจะฟังและจะให้รางวัลแต่เมื่อพระองค์ออกล่าสัตว์ได้พลัดกับทหารเสด็จมาถึงสถานที่มนุษย์ยักษ์นอนอยู่และจะถูกจับกินเป็นอาหารพระราชาแม้จะกลัว แต่ทรงระลึกถึงนันทพรามได้จึงตรัสบอกมนุษย์ยักษ์ว่าขอให้ได้กลับไปยังพระนครเสียก่อนเพราะผลัดพรามไว้ว่าจะให้ทรัพย์จะกลับไปเพื่อรักษาคำสัตย์พระองค์ก็มอบเนื้อกวางให้มนุษย์ยักษ์นั้นและสัญญาว่าพรุ่งนี้จะมาให้กินเมื่ออาลีนัสตุราชกุมารรู้เรื่องก็ขอเสียสละชีวิตไปเป็นอาหารแทนพระราชบิดาพระราชกุมารนั้น ออกจากพระนครแล้วก็ทูลถามผลทางกับพระราชบิดาถวายบังคมพระชนกชนนีประธานโอวาทแก่ชนที่เหลือแล้วมิได้สะดุ้งกลัวเสด็จขึ้นสู่ทางดำเนินไปสู่ที่อยู่ของมนุษย์ยักษ์พระชนกชนนีก็ดีพระพคินีก็ดีพระชายาก็ดีของพระราชกุมา น, นั้นต่างก็ทำสัตจกิริยาให้อลีนัสสตรุราชกุมาร ผู้ไปสละชีวิตแทนบิดาปลอดภัยเรื่องนี้มีแง่อิงเทวดาอยู่บ้างในอัตกถาสัมพุลาชาดกโสติเศสนราชกุมารเป็นโรคเรื้อนขอสละตำแหน่งอุป ร, ราชเข้าไปอยู่ป่าพระนางสัมพุลาพระอัครมเหสีของโสติเศสนกุมาร น, นั้นขอตามไปเฝ้าปรนิบัติบำรุงวันหนึ่งพระนางถูกอสูรจับไว้ เพื่อหวังนำไปเป็นพันรยาเมื่อไม่สามารถจะให้อสูรนั้นปล่อยตัวได้จึงทําการร่ําร้องฟ้องเทวดาขึ้นทันใดนั้นด้วยเดชอํานาจของพระนางก็ทําให้พระอินทอาจร้อนพระอินก็ทรงวัชิราวุธสเสด็จมาประทับยืนบนอากาศตวาดขู่อสูรให้ปล่อยพระนางแล้วจองจําอสูรไว้ด้วยตรนทิพย์พระนางสัมพุลากลับมาปิดเวลา พระสวามีเกิดความระแวงพระนานจึงตักน้ำมาเต็มกระออมทำสัจจะกริยาอ้างความซื่อสัตย์ต่อพระสวามีว่าขอความสัตย์ที่หม่อมฉันมิได้เคยรักบุรุษอื่นยิ่งกว่าทูลกระหม่อมเป็นความจริงด้วยอำนาจสัจวาจานี้ขอพญาธิของทูลกระหม่อมจงระงับดับหายแล้วรดน้ำลงเหนือพระเศียรพระสวามี ทำให้พระสวามีหายจากโรคเรื้อนในอัตตกถาเตมิยชาดกพระนางจันทาเทวีพระมเหสีของพระเจ้ากาสิกราชทำสัจจกริยาขอให้มีโอรสดังที่ได้เล่าไว้แล้วในบันทึกที่สองที่ว่าด้วยเรื่องการช่วยและการแกล้งของพระอินในอัตตกถามหาชนกชาดก ok, พระเจ้ามหาชนก ครองราชสมบัติในกรุงมิถิลาทรงมีพระโอรสสององค์พระราชโอรสองค์พี่พระนามว่าอริทธชนกทรงเป็นอุป ร, ราชส่วนพระราชโอรสองค์น้องพระนามว่าโปราชนกทรงเป็นเสนาบดีเมื่อพระราชบิดาสวรรคตพระเจ้าอริตธชนกก็ได้ครองบ้านเมืองต่อมาพระเจ้าโปราชนกทรงเป็นอุป ร, ราช ทรงเอาใจใส่ดูแลบ้านเมืองช่วยเหลือพระเชษฐาอย่างดียิ่งแต่มีอมนาตคนหนึ่งไม่พอใจพระเจ้าโปรชนกจึงหาอุบายให้พระเจ้าอริตชนกระแวงพระอนุชาโดยทูลว่าพระเจ้าโปรชนกคิดขบฏจะปลงพระชนพระองค์พระเจ้าอริตชนกทรงเชื่อคำอำมาตจึงให้จับพระเจ้าโปรชนกไปขังไว้พระเจ้าโปรชนกทรงทาสัจจะกริยา ให้พ้นจากการจองจําพระถูกใส่ความคือตั้งสัตยาธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าก่อเวรต่อพระเชษฐาเครื่องจองจําจงอย่าหลุดจากมือและเท้าของข้าพเจ้าแม้ประตูก็จงอย่าเปิดถ้าข้าพเจ้ามิได้ก่อเวรต่อพระเชษฐาเครื่องจองจําจงหลุดจากมือและเท้าของข้าพเจ้าแม้ประตูก็จงเปิดทันใด น, นั้น เครื่องจองจำได้หักเป็นท่อนๆแม้ประตูก็เปิดพระเจ้าโปาชนกก็เสด็จหลบหนีไปได้ในอัตถกถาสุวรรณสามชาดกพระเจ้าปิละยักษ์กษัตริย์เมืองพาราณสีเสด็จล่าเหนือในป่าเห็นสุวรรณสามมีฝูงสัตว์ป่าห้อมล้อมอยู่ด้วยอำนาจเมตตาบารมีพระเจ้าปิละยักษ์ทรงประสงค์จะรู้ว่าเป็นเทพหรือนาค จึงยิงสอนอาบยาพิษถูกสุวรรณสามสุวรรณสามได้รับความเจ็บปวดอย่างแรงกล้าแต่ไม่โกรธผู้ยิงหรือเกรงกลัวความตายกลับคร่ำครวญห่วงใยบิดามารดาผู้เป็นฤาษีตาบอดทั้งคู่พระเจ้าปิลยักษ์ทรงสอบถามจนทราบเรื่องราวทำให้พระองค์ทรงสำนึกผิดและให้สัญญากับสุวรรณสามว่าจะสละราชสมบัติมาปรนิบัติเลี้ยงดูดาบดบิดามารดาแทนสุวรรณสาม สุวรรณสามกล่าวฝากฝังบิดามารดาแล้วก็สลบไปบิดามารดาผู้เป็นฤาษีตาบอดทราบเรื่องหลังจากที่พระเจ้าปิละยักษ์เสด็จไปที่อาสมจึงอ้อนวอนให้พระเจ้าปิละยักษ์พาไปพบลูกเมื่อถึงที่แล้วทั้งสองจึงนําสุวรรณสามดาบดขึ้นวางบนตักผู้เป็นมารดาลูบคลำบริเวณหน้าอกของสุวรรณสามดาบดรู้สึกว่ายังอบอุ่นอยู่ จึงรู้ว่าลูกยังไม่ตายนางจึงทำสัจจะกริยาให้ลูกหายจากพิษลูกสอนตั้งสัตยาธิฐานว่าลูกสามะได้เป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมเป็นปกติได้เป็นผู้ประพฤติดังพรมเป็นปกติได้เป็นผู้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เป็นผู้เลี้ยงบิดามารดาได้เป็นผู้ประพฤตยำเกรงต่อท่านผู้เจริญในสกุล เป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราโดยความจริงใดๆด้วยการกล่าวความจริงนั้นๆขอพิษของลูกสามะจงหายไปบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามารถกระทำแล้วแก่เราและแก่บิดาของเธอมีอยู่ด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษของลูกสามะจงหายไปบิดาก็ทำสั์จะกริยาบ้างด้วยคำเดียวกัน นางเทพธิดาวศุนทรีผู้เคยเป็นมารดาของสุวรรณสามก็ตั้งสัตยาธิฏฐานว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมานานไม่มีใครอื่นที่จะเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าสามกุมารป่าทั้งหมดที่ภูเขาคันธมาศล้วนแต่เป็นไม้หอมด้วยสัจวาจานี้ขอพิษของสามกุมารจงหายไปเมื่อทาสัจจะกริยาจบลง ความเจ็บป่วยของสุวรรณสามนั้นได้คลายหายไปเหมือนน้ํากลิ้งจากใบบัวและไม่ปรากฏแผลที่ถูกยิงด้วยยิ่งกว่านั้นดวงตาของฤาษีผู้เป็นบิดาและมารดาของสุวรรณสามก็กลับแลเห็นได้เหมือนเดิมในอัตตกถาจันทกุมารชาดกเจ้าชายจันทกุมารเป็นโอรสของพระเจ้าเอกราชแห่งเมืองปุกผาวดีพระบิดาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอุป ร, ราช วันหนึ่งมีผู้มาร้องเรียนว่าไม่ได้รับความยุติธรรมจากคำตัดสินของปุโรหิตกันดะหะละเจ้าชายจันทกุมารจึงรื้อคดีขึ้นมาชำระใหม่อย่างเที่ยงธรรมมหาชนพากันแซ่ซองสาธุการด้วยเสียงอันดังพระเจ้าเอกราชจึงให้พระอุปราฐจันทกุมารเป็นผู้ตัดสินความแทนปุโรหิตกันดหะละปุโรหิตอดได้ลาบสการะโดยมิชอบ ก็เกิดความอาฆาตแค้นใจต่อพระจันทกุมารคืนหนึ่งพระเจ้าเอกราสุบินเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงเห็นเท้าสักกะเทวราชประทับในปราสาทแวดล้อมด้วยเทพธิดาความฝันทำให้พระองค์ปรารถนาไปเที่ยวสวรรค์กันดหาละเห็นเป็นโอกาสจึงถูนแนะนำให้บูชายันด้วยพระมเหสีพระโอรสพระธิดาเศรษฐีและช้างแก้วม้าแก้ว จำนวนอย่างละสี่เพื่อถวายเทพเจ้าซึ่งเจ้าชายจันทกุมารก็อยู่ในกลุ่มของผู้ที่จะถูกบูชายันนี้ด้วยพระเจ้าเอกราชทรงเบาปัญญาจึงเชื่อเจ้าชายจันทกุมารทรงทราบว่าพระองค์เป็นต้นเหตุเพราะไปขัดแย้งกับโบโรหิตกันดห์ละจึงเป็นหน้าที่ที่พระองค์ต้องแก้ไขพระองค์ชี้แจงจนพระปิดาพระทัยอ่อน ยินยอมปล่อยทุกคนถึงสามครั้งแต่ทุกครั้งปุโรหิตกันดาหาละก็กราบทูลทัดทานและล่อลวงให้พระราชาคล้อยตามด้วยความหลงไหลในสวรรค์อีกจนพระเจ้าเอกราชรับสัง่งให้จับทุกพระองค์เป็นครั้งที่สพระนางจันทาเทวีผู้เป็นอักราเมหสีของพระจันทกุมารก็เสด็จไปสู่หลุมยันประนมหัดบูชาทำสัจะกริยาให้สวามี ที่กำลังจะถูกบูชายันพ้นภัยโดยกล่าวสัจจวาจาขึ้นว่ากันดหาละพรามเป็นคนชั่วเป็นผู้มีปัญญาสามมีจิตมุ่งร้ายพยาบาทด้วยเหตุแห่งวาจาสัต์นี้เทวดายักษ์และสัตว์ทั้งปวงจงช่วยเหลือเราผู้ไร้ที่พึ่งผู้สแสวงหาที่พึ่งขอให้เราได้อยู่ร่วมกับสามีด้วยความสวัสดีเถิด ขอให้พระเป็นเจ้าทั้งหลายจงช่วยสามีเราให้เป็นผู้ที่ศัตรูทำร้ายไม่ได้เถอะเมื่อพระนางกระทำสัจจะกิริยาพระอินทร์ได้สดับถ้อยคำนั้นจึงเสด็จมาจากเทวโลกทรงถือค้อนเหล็กมีไฟลุกโชนช่วงตรงมายังพระราชากล่าวคู่บังคับให้ปล่อยบุคคลผู้ปราศจากความผิดทั้งปวงเสียพระราชาตกพระทัยสุดขีดสั่งให้ปลดปล่อยคนทั้งหมด จากเครื่องจองจำทันทีในมิลินทปัญหาสีวิรันโยจากุธาณปัญหาที่หพระนาคเกษ น, นำเอาเรื่องราวนางโสเพณีมาเล่าถวายให้พระเจ้ามิลินเห็นกำลังของสัจจาทิฏฐานว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าอาโศกมหาราชเสด็จไปริมแม่น้ำคงคาเพื่อจะสงสนานได้ทอดพระเนตรเห็นน้ำลหลากไหลมามาก รัฐถามอมาตค่าราชการทั้งหลายว่าใครสามารถที่จะให้น้ําในคงคาอันหลากหลามานี้ให้ไหลกลับไปได้บ้างก็ได้รับคำตอบว่าการที่จะทําให้น้ําในมหาคงคาไหลกลับไปนั้นกระทํายากนักหนาในขณะนั้นยังมีนางโสภณีผู้หนึ่งนั่งอยู่ที่ฝั่งคงคาเมื่อได้ยินว่ามีพระราชประสงค์ จะให้น้ำในแม่คงคาไหลกลับนางโสพณีนั้นจึงทำสัตจะกริยาว่าข้าพระเจ้านี้เป็นสตรีแพทย์สยามอยู่ในพระนครข้าพระเจ้านี้มีชีวิตอยู่ได้ในโลกนี้เพราะเลี้ยงชีวิตด้วยรูปนี้เป็นความสัจจริงขอให้พระมหากษัตริย์เห็นประจักษ์แก่พระเนตรขอให้วารีที่ไหลามานี้จงไหลกลับไปให้เห็นประจักษ์ในครั้งนี้เถิด เมื่อนางโสภณีตั้งสัจจาทิฐานแล้วน้ำในคงคาก็บันดาลไหลกลับไปสิน้นด้วยอำนาจสัจจวาจานั้นในสมันตปาสาธิกาอัท ธ, ธกถาพระวินัยปิฎกพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงมีพระประสงค์จะส่งต้นมหาโพไปยังเกาะลังกาแต่ทรงพระดำริว่าเราไม่ควรจะตัดมหาโพด้วยสตรจึงทรงกระทาสัจจะกริยา ขอกิ่งมหาโพโดยไม่ต้องตัดด้วยการทำเครื่องหมายเป็นรอยขีดที่กิ่งด้านใต้ประทับยืนประคองอัญชลีทำสัจจะกิริยาว่าถ้าต้นมหาโพควรประดิษฐานอยู่ในเกาะลังกาและหากว่าข้าพระเจ้าพึงเป็นผู้หมดความสงสัยในพระพุทธศาสนาไสขอให้ต้นมหาโพ จงประดิษฐานอยู่ในกระถางทองเซเองทีเดียวพร้อมกับการทรงทาสัจจากริยากิงโพขาตรงที่ทรงทำเครื่องหมายกำหนดไว้แล้วตั้งอยู่เองในกระถางทองคำที่ได้เตรียมไว้พร้อมด้วยรากอันอย่างลงสู่พื้นกระถางนั้นในอัตถกถาสักกะปัญหาสูตรทีกนิกายกล่าวถึงประวัติของพระอิน์เมื่อครั้งเป็นมะกะมานบ ชักชวนเพื่อนๆรวมสาสาคนทำบุญด้วยการทำทางขุดสะบัวสร้างศาลาสร้างสะพ า, า, านแต่ผู้ใหญ่บ้านไม่ชอบใจไปทูลพระราชาโดยใส่ความว่าเขากับพักพวกเป็นโจรเป็นกบฏพระราชาไม่ทันได้ส่งสอบสวนก็รับสั่งลงโทษประหารชีวิตด้วยวิธีให้ช้างเหยียบมคมานก สอนให้เพื่อนเพื่อนทุกคนทำสัจจะกิยาว่าถ้าพวกเราแม้ทั้งหมดเป็นโจรขอให้ช้างจงเหยียบถ้าไม่เป็นโจรช้างจงอย่าเหยียบเมื่อพวกเขาได้ทำอย่างนั้นช้างแม้แต่จะเข้าใกล้ก็ไม่ได้ร้องพลางหนีไปพลางแต่ตรงนี้ในชาดกได้กล่าวว่าเป็นอนุภาพแห่งเมตตาในอัตฐฐถคถาทศก ร, รมมปัสสูตร สั่งยุตินิกายนิทานวักมีเรื่องของเด็กคนหนึ่งไม่เชื่อคำของมารดาไปสู่ป่ามารดาเมื่อไม่อาจจะให้เด็กนั้นกลับได้จึงด่าว่าขอแม่ควายป่าที่ดุดูจงไล่ตามมันครั้งนั้นแม่ควายป่าก็ปรากฏต่อหน้าเด็กลูกคือเด็กนั้นได้ทําสัจจะกริยาอ้างใจจริงของแม่ให้พ้นภัยควายป่าไล่ว่า ขอคำที่แม่พูดแก่เราจงอย่ามีขอที่แม่คิดจงมีแม่ควายป่าได้หยุดอยู่เหมือนถูกผูกในที่นั้นนั่นเองในอัตถกถาอังกุลิมาละสูตรมัชิมนิกายมัชิมะปัญ น, นาตพระองคุลิมาเที่ยวบินทบาบัตอยู่ในพระนครสาวัตถีได้เห็นสตรีคนหนึ่งมีคันแก่หนักดําริว่า สัตว์ทั้งหลายย่อมเศ้ามองหนอพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้พระองค์กุลิมานเข้าไปหาสตรีนั้นและกล่าวว่าน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาแล้วไม่เคยรู้สึกว่าแกล้งปลงชีวิตสัตว์เลยด้วยสัตว์วาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่ขันของท่านเถอะท่านพระองค์กุลิมานกราบทูลปฏิเสธ เพราะเกรงว่าจะกล่าวเท็จทั้งรู้อยู่พระพุทธเจ้าจึงตรัสอีกว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นแล้วกล่าวว่าน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดแล้วในอริยชาติเมื่อเคยรู้สึกว่าแกล้งปรงชีวิตสัตว์เลยด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่ขันของท่านเถิด พระองคุลิมานทูลรับคำแล้วเข้าไปหาหญิงนั้นชนทั้งหลายจึงกั้นม่านตั้งตังสำหรับพระเถระไว้ภายนอกม่านพระเถระนั่งมนตังนั้นกระทาสัจจะกริยาว่าน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดแล้วในอริยชาติไม่เคยรู้สึกว่าแกล้งปลงชีวิตสัตว์เลยด้วยสัจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่านเถิดทารกก็ออกมาดดน้ำไหลจากกระบอกพร้อมกับการกล่าวคำสัตว์นั่นทีเดียวทั้งมารดาทั้งบุตรได้รับความสวัสดีแล้วทั้งสองคนในอัตถคถากับปินาสูตรสั่งยุตินิกายนิทานวักพระราชามหากัปปินะแห่งกุกุตะวดีนคร ได้ข่าวพระรัตนตรัยจากพ่อค้าจึงทรงเอาทรัพย์สามแสนบูชาถ้อยคำของพวพ่อค้าเหล่านั้นและทรงสละพระราชสมบัติทรงมีอมาตย์พันคนแวดล้อมแล้วทรงมีพระประสงค์จะบวชอุทิศพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จถึงฝั่งแม่น้ำจึงคิดว่าแม่น้ำคงคานี้เต็มเปี่ยมคลาคล้ำไปด้วยปลาไายเรือหรือแพก็ไม่มีก็ขึ้นชื่อว่า คุณของพระศ า, าสดานี้แผ่ไปเบื้องล่างถึงเอเวจีเบื้องบนถึงพระวคพรมถ้าพระศ า, าสดานี้เป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธขอให้หลังกีบม้าเหล่านี้จงอย่าเปียกดังนี้แล้วจึงให้ม้าวิ่งไปบนผิวน้ำปรากฏว่าเสด็จฆ่าแม่น้าด้วยม้าไปได้ถึงฝั่งโดยที่แม้เพียงหลังกีบม้าตัวหนึ่งก็ไม่เปียกถึงแม่น้าใหญ่สายอื่นอีกข้างหน้า ก็ทำสัจจะกิริยาอย่างเดียวกันนั้นนั่นเองในอัตถกถาธรรมบทเรื่องพระมหากัปปินะเทระได้กล่าวถึงพระนางอโนชาราชเทวีของพระราชามหากัปปินะได้ข่าวพระรัตนตรัยจากพ่อค้านั้นจึงทรงเอาซัพย์อีก90้าแ0นบูชาถ้อยคำของพวกพ่อค้าเหล่านั้นทรงมีพระประสงค์จะบวชอุทิตพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันเสด็จขึ้นรถมา้าออกไปพร้อมกับพันรยาของเหล่าอมาตนั้น เมื่อเสด็จถึงฝั่งแม่น้ำก็ทำสั์จากริยาอย่างเดียวกับพระราชามหากบิฏนะน้ำได้เป็นเช่นกับหลังแผ่นหินเสด็จข้ามฝั่งได้โดยปลายเพลาและเกลียวกงแห่งล้อก็ไม่เปียกเลยในอัตถกถาประวัติพระโกนดัชานะเทระอังคุตรนิกายเอกนิบาทนางมหาสุพัฒทาอยู่ในครอบครัวมิจฉาทิฐิในอุกขนครคิดว่า พระศาสดาจงทรงอนุเคราะห์เราจึงอธิษฐานอุโบสถเป็นผู้ไม่มีกลิ่นคาวแล้วเสียงดอกไม้ไปบูชาและนิมนต์พระพุทธเจ้าด้วยการทำสัจจะกริยาว่าดอกไม้เหล่านี้จงอย่าอยู่ในระหว่างทางเสียจงกางกั้นเป็นเพดานในเบื้องบนแห่งพระทศพลเถิดขอพระทศพลพร้อมกับภิกษุห0 0ร้อรูปจงรับภิกษาของเราด้วยสัญญานิเถิด แล้วโยนดอกมะลิแปดกัมไปดอกไม้ก็ไปกางก้านเป็นเพดานอยู่เบื้องบนของพระาศาสดาในเวลาแสดงธรรมพระาศาสดาทอดพระเนตรเห็นเพดานดอกมะลินั้นทรงรับนิมนต์ของนางสุภัทธาด้วยจิตนั้นเรื่องหญิงชาวบ้านกาลุ่มพรัตในอัตถคถาฐานสูตรอังคุตรนิกายติกนิบาตกล่าวถึงหญิงคนหนึ่งอุ้มลูกไปฟังธรรมในเวลากลางคืน ที่วัดจิตตละบัญพศให้ลูกนอนพิงต้นไม้ต้นหนึ่งต้นเองยืนฟังธรรมงูพิษตัวหนึ่งกัดเด็กที่นอนอยู่นางเห็นแล้วคิดว่าถ้าเราบอกผู้อื่นว่าลูกของเราถูกงูกัดในตอนนี้ก็จะเป็นอันตรายแก่การฟังธรรมเมื่อเรายังเวียนว่าอยู่ในสังสารวัตเด็กคนนี้ได้เป็นลูกของเรามาหลายครั้งแล้วเราจะประพฤติธรรมเท่านั้นแล้วยือนอยู่ ตลอดทั้งคืนประคองทำไว้ได้บรรลุโซดาปฏิพลเมื่ออรุณขึ้นแล้วก็ทำสั์จะกริยาให้ลูกหายจากพิดงูเมื่อเด็กฟื้นขึ้นมาแล้วก็อุ้มลูกกลับบ้านไปในอัรถกถานักกุลสูตรอังคุตรณนิกายฉักนิบาทข้าบดีชื่อนักกุลปิตาป่วยหนักพันรยาของเขาชื่อนักกุลมาตา เมื่อไม่สามารถจะจัดยาระ ง, งับอาการของสามีได้นักกุลมาตาจึงเข้าไปนั่งใกล้สามีทําสัจจะกิริยาด้วยการทําการบรรลือสีนานาห6ข้อทําให้สามีหายป่วยแต่แนบารีกล่าวว่าหายเพราะฟังโอวาทของภรรยาในอัตถกถาเวลามาสูตรอังคุตรนิกายนวาวกานิบาศ พระโพธิสัตว์เสวยประชาติเป็นพรามชื่อเวลามะได้ใานเป็นมหาทานอันโอฬายิ่งและเสี่ยงทายว่ามีทักทินายบุคคลหรือไม่โดยเติมน้ำให้เต็มเต้ตาน้ำทองคำแล้วทำสัจจะกริยาว่าถ้าในโลกนี้ยังมีทักกินายบุคคลผู้สมควรรับทานนี้ขอน้ำนี้ไหลออกและจงซึมแผ่นดินถ้าไม่มีทักกินายบุคคล ขอน้ำนี้จงไม่ไหลออกเมื่อได้เอียงปากเต้าน้ําทองคําลงแล้วน้ําได้ปรากฏเหมือนกับกระบอกน้ําที่ถูกอุดไว้เวลาเมื่อพราหมนั้นก็ไม่ได้เดือดร้อนใจว่าชมพูตวีปว่างเปล่าไม่มีแม้บุคคลคนเดียวที่ควรรับทักษิณาแต่คิดว่าถ้าทักษิณาจากบริสุทธิ์ฝ่ายทายกคือผู้ให้ขอน้ําไหลออก แล้วจงซึมแผ่นดินไปเมื่อเทเต้าน้าทองคำในคราวนี้น้ำก็ได้ไหลออกแล้วซึมแผ่นดินไปพระโพธิสัตว์ก็ได้ให้มหาทานอย่างนี้ทุกๆวันมีข้อที่ควรเสนอเมื่อช่วยกันพิจารณาอย่างหนึ่งว่าบางทีประเพณีการทำสัจกริยาอาจเป็นเครื่องแสดงอย่างหนึ่งว่าจริยธรรมอย่างมั่นคงแข็งแรงอยู่ในสังคมหรือไม่ การเสื่อมไปของประเพณีสัจจกกริยาอาจแสดงถึงความเสื่อมถอยอ่อนแอลงในทางจริยธรรมเพราะในเมื่อไม่มีคุณธรรมที่จะให้เกิดความมั่นใจในตนเองก็ต้องหันกลับไปอ้างและวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เทวริษเป็นต้นคงเป็นด้วยเหตุนี้การกระทำตามระบบเดิมเช่นการบ่นบานการวิงวอนการสาบแช่งการสบสาบานผสมสาบ จึงยืนยงและแพร่หลายกว่าการสบัดสาบานตามความหมายเดิมล้วนๆเป็นเพียงคำมั่นแต่ที่ทำกันมากมีการอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสาบแช่งด้วยว่าถ้าทำหรือไม่ทำอย่างนั้นขอให้ประสบผลร้ายอย่างนั้นอย่างนั้น